ไม่รู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับรู้ชัดคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงสมุทัยสูตร ว่าโดยความเกิดขึ้นแห่งขันพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายปุถุชนผู้ไม่ได้สดับไม่รู้ชัดความเกิดขึ้นความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงส่วนอริยาสาวกผู้ได้สดับรู้ชัดความเกิดขึ้น ความดับคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณตามความเป็นจริงอรหันตสูตรว่าด้วยพระอระหันต์พระผู้มีพระภาตรัสว่าภิกษุทั้งหลายรูปไม่เทียง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 อยู่จบรมจริย์ทรมกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายพระอรหันต์ทั้งหลายผู้เป็นเลิศประเสริฐที่สุดในโลกกว่าสัตว์ในสัตตาวาสและภวคภก พ, พระผู้มีพระภาตรัสคถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าพระอรหันต์ทั้งหลายมีความสุขหนอ ข้อนี้คือสุขในฌานมรรคและผลเพราะท่านไม่มีตัณหาตัดอาสมิมาณะได้เด็ดขาดทำลายขายคือโมหะได้แล้วพระอรหันต์เหล่านั้นถึงความไม่หวั่นไหวมีจิตไม่คุนมัวไม่แปดเปื้อนในโลกเป็นผู้ประเสริฐไม่มีอาสวะเป็นสัตบุรุษเป็นพุทธบุตรพุทธโอรส กำหนดรู้ขันห้ามีสัตยธรรมเจ็ดประการเป็นโคจรข้อนี้หมายถึงมีสัตธรรมเจ็ดประการเป็นอารมณ์ได้แก่ศรัทธาความเชื่ออิริความละอายโอตตะปะความเกรงกลัวบาปพระหุสัจจะความเป็นผู้มีสุตตะมากตรัฐวิริยตาความปรารบความเพียร อุปธิตัดสติตาความมีสติมั่นคงและปัญญาความรอบรู้มีศรัทธาเจ็ดประการเป็นโคจรควรสรรเสริญท่านเป็นวีรบุรุษผู้ยิ่งใหญ่สมบูรณ์ด้วยรัตนะเจ็ดประการคือโพชงเจ็ดประการสำเนียกแล้วในตรายศิขา ละความกลัวและความสะดุ้งกลัวได้เด็ดขาดแล้วย่อมเที่ยวไปโดยลำดับท่านมหาหนาคผู้สมบูรณ์ด้วยองค์10มีจิตตั้งมั่นประเสริฐที่สุดในโลกเพราะท่านเหล่านั้นไม่มีตัณหามีอาเซฆยานเกิดขึ้นแล้วมีร่างกายนี้เป็นร่างสุดท้ายไม่ต้องอาศัยผู้อื่น ในกุณที่เป็นแก่นสารแห่งพรหมจรรย์ท่านเหล่านั้นไม่หวั่นไหวในส่วนทั้งหลายหมายถึงส่วนแห่งมานะสามอย่างผลจะภูมิใหม่ถึงท่านตะภูมิคือภูมิของท่านผู้ได้รับการฝึกตนแล้วได้แก่พระอรหันต์ผลจะพบใหม่ถึงท่านตะภูมิชนะเด็ดขาดแล้วในโลกท่านเหล่านั้น ไม่มีความเพลิดเพลินอยู่ในส่วนเบื้องบนถ้ำกลางและเบื้องล่างเป็นพุทธะผู้ยอดเยี่ยมในโลกย่อมบรรลือสีหานาศสีหะสูตรว่าด้วยอุปมาด้วยพยาราชสีเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสาวัตถี พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเวลาเย็นพยาวราชสีออกจากที่อาศัยบิดกายชำรองดูรอบๆทั้งสีทิศบันลือสีหนาสามครั้งแล้วหลีกไปหาเหยื่อโดยมากพวกสัตว์ดิวรัชฐานทุกหมู่เหลา่าได้ยินเสียงพยาวราชสีบันลือสีหนาดย่อมถึงความกลัวหวาดวันและสะดุง้ง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 ถายมูดพูดหนีไปทางใดทางหนึ่งภิกษุทั้งหลายพยาราชสีมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตอุบัติขึ้นในโลกเป็นพระอระหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเยียบอมด้วยวิชาและเจรณะน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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอย่างนี้ความเกิดขึ้นและความดับเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นแม้เทศทั้งหลายที่มีอายุยืนมีวันนางดงามมีความสุขมากสถิตยอยู่ในวิมานสูงเป็นเวลานานได้สะดับธรรมเทศนาของตถาคตแล้วโดยมากต่างก็ถึงความกลัวหวาดหวัน่นและสะดุ้งว่า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 เกี่ยวเนื่องอยู่ในสัจ ก, กายสัจ ก, กายในที่นี้หมายถึงคันห้าประการคือรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณภิกษุทั้งหลายตถาคตก็อย่างนั้นเหมือนกันมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีสักมีอนุภาพมากอย่างนี้กว่าโลกพร้อมทั้งเทวโลก พระผู้มีพระภาผู้สุขตัสดาได้ตรัสคาถาประพันธ์ต่อไปอีกว่าเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นสัสดาหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้ตรัสรู้ด้วยปัญญาอันยิ่งแล้วทรงประกาศ ธ, ธรรมจักรคือสักกายะความดับแห่งสักกายะและอริยามรรคมีองค์แปดที่ให้ถึงความดับทุกข์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลก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 คัจนียสูตรว่าด้วยผู้ถูกเคี้ยวกินเรื่องเกิดขึ้นที่กรุงสวรรธีพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งเมื่อระลึกก็ระลึกถึงชาติก่อนได้เป็นอันมากสมณพราหมณ์เหล่านั้นทั้งหมดระลึกถึงอุปาทานขันท์ทั้งห้าประการ หรืออุปาทานนักขัประการใดประการหนึ่งอุปาทานขันห้าประการเป็นอย่างไรคือเมื่อระลึกก็ระลึกถึงรูปอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีรูปอย่างนี้เมื่อระลึกก็ระลึกถึงเวทนาอย่างนี้ว่าในอดีตการเรามีเวทนาอย่างนี้เมื่อระลึกก็ระลึกถึงสัญญาสังขาร ละวิญญาณในอดีตว่าเรามีสัญญาสังขารละวิญญาณอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเพราะอะไรจึงเรียกว่ารูปราะสลายไปจึงเรียกว่ารูปสลายไปเพราะอะไรสลายไปเพราะหนาวบ้างร้อนบ้างอิวบ้างกระหายบ้างเพราะสัมผัสแห่งเหลือบยุงลมแดด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 จึงเรียกว่าสังขารเพราะอะไรจึงเรียกว่าวิญญาณเราบรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณรู้แจ้งอะไรรู้แจ้งรสเปรี้ยวบ้างรสขมบ้างรสเผ็ดบ้างรสหวานบ้างเพราะรู้แจ้งจึงเรียกว่าวิญญาณภิกสุททั้งหลาย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 เธอพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วไม่มีความอาลัยในรูปที่เป็นอดีตไม่ชื่นชมรูปที่เป็นอนาคตปฏิบัติเพื่อความเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำนัดเพื่อดับรูปที่เป็นปัจจุบันในเรื่องของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไร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 ข้อนั้นไม่กวนเลยและด้วยนัยะเดียวกันเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่กวนยึดว่าเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราภิกษุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นรูปอย่างใดอย่างหนึ่งเวทนาสัญญาสังขาร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 ไม่ถือมั่นเรียรายไม่รวบรวมไว้ทำให้มอดไม่ก่อให้ลูกโผลงขึ้นอริยาสาวกทำอะไรให้พินาศไม่ก่ออะไรคือทำรูปให้พินาศไม่ก่อรูปทำเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณให้พินาศละทิ้งอะไรไม่ถือมั่นอะไร คือละทิ้งและไม่ถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเรียรายอะไรไม่รวบรวมอะไรคือเรียรายและไม่รวบรวมรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ น, นั้นทำอะไรให้หมอดไม่ก่ออะไรให้ลุกโล่ขึ้นคือทำรูปให้หมอด ไม่ก่อวิญญาณให้ลุกโผล่งขึ้นทำเวทนาสัญญาสังขารทำวิญญาณให้หมอดไม่ก่อวิญญาณให้ลุกโผล่งขึ้นภิกษุทั้งหลายอริยาสาวกผู้ดได้สดับเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหนายแม้ในรูปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเมื่อเบื่อหนายย่อมคลายกำหนัด เพราะคลายกำหนัดจิตย่อมหลุดพ้นเมื่อจิตหลุดพ้นแล้วก็รู้ว่าหลุดพ้นแล้วรู้ชัดว่าชาสิ้นแล้วอยู่จบรมจรันทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปภิกษุทั้งหลายภิกษุนี้เราเรียกว่าไม่ก่อไม่ทำให้พินาศ แต่เป็นผู้ทาให้พินาศได้แล้วดํารงอยู่ไม่ละทิ้งไม่ถือมัน่นแต่เป็นผู้ละทิ้งได้แลว้วดํารงอยู่ไม่เรียรายไม่รวบรวมไว้แต่เป็นผู้เรียรายได้แลว้วดํารงอยู่ไม่ทำให้มอดไม่ก่อให้ลุกโผลงขึ้นแต่เป็นผู้ทาให้มอดได้แลว้วดํารงอยู่ภิกษุทั้งหลาย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 ถึงเข้าฌานอยู่บินโทรยะสูตรว่าด้วยการเที่ยวบินทบาตเลี้ยงชีพสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณ น, นิโครทารามเขตกรุงกบิลพัทแขวนสักกักครั้งนั้นทรงขับไล่ภิกษุสงฆพราะเหตุบางอย่างแล้ว เวลาเช้าเสด็จเข้าไปบินธบาีภายหลังเสวยเสร็จแล้วเข้าไปยังป่ามหาวันครั้นเสด็จถึงแล้วได้ประทับนั่งนโคนต้นมะตูมหนุ่มลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดทรงเกิดความริ่มพึงว่าเราเองได้ขับไล่ภิกษุสงฆ์ไปแล้วในภิกษุเหล่านี้มีพวกภิกษุใหม่บวชยังไม่นาน พึงมาสู่ธรรมวินัยนี้เมื่อภิกษุเหล่านั้นไม่เห็นเราก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปเหมือนลูกโคลน้อยเมื่อไม่เห็นแม่ก็จะพึงเป็นอื่นเปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นและเหมือนพืชที่อย่างอ่อนๆขาดน้ําพึงเหี่ยวเฉาไปฉะนั้นทางที่ดีเราพึงอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้ เหมือนกับที่เคยอนุเคราะห์มาแล้วในครั้งก่กอนๆเถิดขณะนั้นท้าวสหัมบดีพรมได้ทราบความรํำพึงของพระผู้มีพระภาคด้วยใจของตนแล้วจึงหายตัวจากพรหมโลกมาปรากฏเฉพาะพระภาคกราบทูลอารัธนาขอพระองค์โปรดอนุเคราะห์ภิกษุสงฆ์ในบัดนี้เถิดพระผู้มีพระภาคทรงรับนิมนต์โดยดุษณีภาพต่อมา พระผู้มีพระพาเสด็จออกจากที่หลีเร้นในเวลาเย็นได้เสด็จเข้าไปยังนิโคทารามประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้แล้วทรงบรรดาลด้วยอิทธาพิสังขารให้ภิกษุเหล่านั้นเกรงกลัวเข้าไปเป้าที่เรารูปบ้างสองรูปบ้างทรงแสดงเรื่องนี้กับภิกษุเหล่านั้นดังนี้ว่าภิกษุทั้งหลาย การที่ภิกษุทุศีนเที่ยวบินทบาตเลี้ยงชีพนี้เป็นการกระทำที่ต่ำสซมย่อมถูกชาวโลกด่าว่าเจ้าคนนี้อุ้มบาศเที่ยวขอชาวโลกมาเลี้ยงชีพกุลบุร ต, ต่างเป็นผู้ตรหนักในเหตุอาศัยความตรหนักในเหตุจึงเข้ามาใช้ชีวิตเที่ยวขอก้อนข้าวนี้มีชัยถูกพระราชารับสั่งให้นำไปจองจา ไม่ใช่ถูกพวกโจร น, นำไปกักขังไม่ใช่เป็นลูกหนี้ไม่ใช่ตกอยู่ในห่วงอันตรายไม่ใช่จะยึดเป็นอาชีพแท้ที่จริงกุลบุตรเหล่านั้นเข้ามาบวช ด, ด้วยเหตุผลว่าพวกเราต่างถูกชาติคือความเกิดชรามรนะโมรณะโสกะบริเทวะทุกโทมนตสและอุปายาตทับถมครอบงำ จมปลักอยู่ในทุกข์สารวนอยู่กับทุกข์ทำอย่างไรเล่าการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้จะพึงปรากฏได้กุลบุตรนี้เป็นผู้บวช ด, ด้วยเหตุผลตามที่กล่าวมาแล้วนี้แต่แล้วกุลบุตรนั้นกลับเกิดความละโมบกำนัดยินดีอย่างแรงกล้าในกามมีจิตพยาบาทคิดประทุษร้าย หลงลืมสติไม่รู้สึกตัวมีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตกระสักระสายไม่สำรวมอินทรีย์บุคคลผู้เสื่อมจากโภค่ของเคารหัดและไม่สามารถบำเพ็ญประโยชน์สำหรับความเป็นสมณะให้บริบูรณ์ได้เราเรียกว่าเป็นเหมือนท่อนไม้ที่ถูกทิ้งไว้ในปา่าช้าไฟไหม้ทั้งสองข้างตรงกลางเปื้อนคูด ย่อมไม่อำานวยประโยชน์เป็นเครื่องเรือนทั้งไม่อำานวยประโยชน์เป็นอุปกรณ์ในป่าคือไม่สามารถเอาไปใช้เป็นเสาของกระท่อมในนาหรือเป็นขาเตียงก็ไม่ได้ภิกษุทั้งหลายอกุศลวิตกสามประการคือกามวิตกความตรึกในกามพยาบาทวิตกความตรึกในพยาบาทวิหิงสาวิตก ความตรึกในการเบียดเบียนอกุศลวิตกษามรการนี้ดับไม่เหลือที่ไหนคือเมื่อบุคคลมีจิตตั้งมั่นดีแล้วในสติปัฏฐานสประการหรือเจริญอนิมิตะสมาธิอกุศลรวิตกษามรการย่อมดับโดยไม่เหลืออนิมิตะสมาธิควรแท้ที่บุคคลจะเจริญ อันนี้มีตาสมาธิที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุททั้งหลายทิฏฐิสองประการนี้คือภาวะทิฏฐิความเห็นในภพและวิภาวะทิฏฐิความเห็นในวิภพอริยสาวกผู้ได้สดับพิจารณาเห็นในทิฏฐิสองประการนั้นเช่นนี้ว่า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 พจึงมีกัเราเพราะพบเป็นปัจจัยชาติคือการเกิดจึงมีกัเราเพราะชาติเป็นปัจจัยชราโมระโสกาปริเทวะทุกโทมานต์และอุปายาจจึงมีความเกิดขึ้นแห่งกองทุกทั้งมวล น, นี้จึงมีได้ด้วยประการชนิ้ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่าอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงอูล ต, ตอบว่าไม่เที่ยงก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขอุนตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรผันเป็นธรรมดาควรที่จะพิจารณาเห็นสิ่งนั้นหรือว่า นั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราตูลตอบว่าข้อนั้นไม่ควรเลยภิกษุททั้งหลายเพราะเหตุนั้นแหลอริยาสาวกผู้ได้สดัตะเสเห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นปาลิเลยยาสูตร ว่าด้วยป่าปาริเลยะกะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงโกสมัมพีเพราในเวลาเช้าภายหลังสวยเสร็จแล้วทรงเก็บงามเสนาสนะด้วยพระองค์เองถือบาตรและจีวรเสด็จจาวริกไปพระองค์เดียวไม่มีผู้ติดตามลำดับนั้นภิกษุรูปหนึ่ง เมื่อเห็นพระผู้มีพระภาคเสด็จจากไปไม่นานได้เข้าไปหาท่านพระอานนท์และกล่าวถึงการที่พระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปพระองค์เดียวนั้นท่านพระอานนท์ได้ตอบว่าท่านผู้มีอายุสมัยใดพระผู้มีพระภาคทรงเก็บงมเสนาสนะจาริกไปพระองค์เดียวนั้นเพราะทรงประสงค์จะประทับอยู่เพียงลำพัง จึงไม่กวรที่ไกลไคลจะติดตามครั้งนั้นสเสด็จเจ้าริกไปโดยลำดับถึงป่าปาลิเลยยกับประทับอยู่ณโคนไม้รังอันงามต่อมาภิกษุจำนวนมากเข้าไปหาท่านพระอานนท์ด้วยความปรารถนาที่จะฟังธรรมีกถาเฉพาะพระภาพระภูมิประภาคลำดับนั้นท่านพระอานนท์พร้อมด้วยภิกษุเหล่านั้นจึงพากันไปเข้าเฝ้า ระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมมีกาถาให้แก่เหล่าภิกษุนั้นสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำหนึงอย่างนี้ว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอาสวรร์ทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลําดับทรงทราบความคิดคำหนึงของภิกษุนั้นจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เราได้แสดงธรรมโดยการวิจัยคือการเลือกเฟ้นแสดงสติประทานสี่ประการโดยการวิจัยแสดงสมมตประธานสีอิทิบาส 4, อินสีห้าพละห้าโพชฌงเจและมัคมีองค์8โดยการวิจัยภิกษุทั้งหลายเราได้แสดงธรรมโดยการวิจัยเช่นนี้ ธรรมะอันเราแสดงแล้วโดยการวิจัยเช่นนี้แต่ก็มีภิกษุบางรูปในธรรมะวินัยนี้ยังเกิดความคิดคำนึงว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับข้อที่ว่าเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรอาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับนั้นคือปุถุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ฉลาดในธรรมะ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 อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับและโดยนัยะเดียวกันอุตุชนไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาว่ามีรูปแต่พิจารณาเห็นรูปในอัตตาหรือแม้ไม่พิจารณาเห็นรูปในอัตตา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 ไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาเป็นต้นนั้นแต่พิจารณาเห็นเวทนาเป็นอัตตาหรือไม่เห็นเวทนาเป็นอัตตาแต่เห็นสัญญาเป็นอัตตาหรือไม่เห็นสัญญาเป็นอัตตาแต่เห็นสังขารเป็นอัตตาหรือไม่พิจารณาเห็นสังขารเป็นอัตตาแต่เห็นวิญญาณเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีวิญญาณ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 ถูกปัจจัยปรุงแตง่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแม้ตัณหาแม้เวทนาแม้ผัสตากแม้อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแตง่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อาสวะทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับปุถุชน ไม่พิจารณาเห็นรูปโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาแต่มีทิฏฐิคือความเห็นอย่างนี้ว่าอัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนไม่ผันแปร ى. ก็สัจสะตะทิฏฐิ คือความเห็นว่าเที่ยงนั้นจัดเป็นสังขารและโดยในยะเดียวกันปุถุชนไม่พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาทั้งไม่มีทิฏฐิว่าอัตตกับโลกเป็นอย่างเดียวกันแต่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าถ้าเราไม่พึงมีแม้บริการของเราก็ไม่พึงมี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 แม้สังขารนั้นก็ไม่เทียงเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้แล้วอสวรคทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลาดับปุถุชนไม่พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาไม่พิจารณาเห็นอัตตาในวิญญาณทั้งไม่มีทิตถิอย่างนี้ว่า อัตตากับโลกเป็นอย่างเดียวกันคือโลกเที่ยงเรานั้นละโลกนี้ไปแล้วจะเป็นผู้เที่ยงแท้ยั่งยืนคงทนแม่แปลพันทั้งไม่มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าตายแล้วศูนย์แต่ยังมีความสงสัยเคลือบแปลงไม่แน่ใจในสัตวธรรมก็ความเป็นผู้สงสัยไม่แน่ใจในสัตธรรมนั้นจัดเป็นสังขาร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 แม้อวิชานั้นก็ไม่เที่ยงถูกปัจจัยปรุงแตง่งอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นภิกษุทั้งหลายเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างนี้อสศาวะตทั้งหลายจึงสิ้นไปโดยลำดับอุณณะมาสูตรว่าด้วยพระธรรมเทศนาในคืนดวงจันทร์เต็มดวง สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุรูปหนึ่งได้ทูลถามปัญหาดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุปาทานขันห้าประการนี้ใช่หรือไม่คือรู ป, ปูปาทานขันเวทนูปาทานขันสัญยูปาทานขันสังขารูปาทานขัน ละวิญญาณูปาทานขันธ์ทรงตอบว่าอุปาทานขันธ์ห้าเป็นดังนั้นทูลถามว่าอุปาทานขันธ์ห้าประการนี้มีอะไรเป็นมูลเหตุทรงตอบว่ามีฉันทะเป็นมูลเหตุทูลถามว่าอุปาทานกับอุปาทานขันธ์ห้าประการเป็นอย่างเดียวกัน หรือเป็นอย่างอื่นนอกจากอุปาทานขันห้าประการทรงตอบว่าเป็นอย่างเดียวกันก็ไม่ใช่เป็นอย่างอื่นก็ไม่ใช่แต่ชันทราคาในอุปาทานขันห้าประการนั้นเป็นตัวอุปาทานภิกษุนั้นทูลถามว่าก็ชันทราคาต่างๆในอุปาทานขันห้าประการจะพึงมีได้หรือไม่ ทรงตอบว่าพึงมีได้แล้วตรัสต่อไปว่าบุคคลบางคนในโลกนี้มีความปรารถนาอย่างนี้ว่าในอนาคตการขอเราพึงมีรูปเช่นนี้มีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณเช่นนี้ภิกษุฉันทราคาต่างๆในอุปาทานขันห้าประการจะพึงมีได้อย่างนี้แล ทูนถามอีกว่าด้วยเหตุเพียงเท่าไรขันจึงชื่อว่าขันทรงตอบว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภายในหรือภายนอกอย่าพรือละเอียดเลวหรือปราณีตไกลหรือใกล้ก็ตามนี้เรียกว่ารูปประขันและโดยในยะเดียวกัน เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เช่นเดียวกันด้วยเหตุเพียงเท่านี้ขันจึงชื่อว่าขันภิกษุนั้นทูลถามต่อว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันและวิญญาณขันปรากฏส่งตอบว่ามหาพุทธรูปสี่ เป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้รูปะคันปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาคัน์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้สัญญาคัน์ปรากฏผัสสะเป็นเหตุเป็นปัจจัยทำให้เวทนาขันสัญญาขันและสังขารขันปรากฏส่วนนามรูปเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทำให้วิญญาณขันปรากฏทูลถามต่อว่าสกยทิฐิมีได้อย่างไรส่งตอบว่าภิกษุปุทุชนในโลกนี้ผู้ไม่ได้สดับไม่ได้เห็นพระอริยะไม่ฉลาดในธรรมะไม่ได้รับการแนะนำในธรรมะของพระอริยหรือสัตบุรุษพิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ โดยความเป็นอัตตาพิจารณาเห็นอัตตาว่ามีในขันห้านั้นพิจารณาเห็นขันห้าในอัตตาหรือพิจารณาเห็นอัตตาในขันห้าแต่ละประการ น, นั้นภิกษุสักกายทิฏฐิมีได้อย่างนี้ภิกษุนั้นทูลถามปัญหาต่อไปว่าสักกายทิฏฐิมีไม่ได้อย่างไร ส่งตอบว่าอริยาสาวกในธรรมวินน์นี้ผู้ได้สดับไม่พิจารณาเห็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณโดยความเป็นอัตตาสักยทิฏฐิมีไม่ได้อย่างนี้อะไรเป็นคุณอะไรเป็นโทษอะไรเป็นเครื่องสลัดออกจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ ทรงตอบว่าสภาพที่สุขโสมนัสอาศัยรูปเกิดขึ้นนี้เป็นคุณของรูปสภาพที่รูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแประันเป็นธรรมดานี้เป็นโทษของรูปธรรมะเป็นที่กําจัดฉันทราคะในรูปนี้เป็นเครื่องสลัดออกจากรูปและโดยในยะเดียวกันกับเรื่องของรูป คือเรื่องเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณก็เช่นเดียวกันเมื่อบุคคลรู้เห็นอย่างไรจึงจะไม่มีอาหารการมัมมังการและมานานุใสในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิต ท, ทั้งปวงในภายนอกทรงตอบว่ารูปอย่างใดอย่างหนึ่งทั้งที่เป็นอดีตอนาคตปัจจุบันภิกษุนั้น พิจารณาเห็นรูปทั้งหมดนั้นด้วยปัญญาอันชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้ว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเราและโดยในยะเดียวกันอิจารณาเห็นเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณทั้งที่เป็นอดีตอนาคตและปัจจุบันว่านั่นไม่ใช่ของเราเราไม่เป็นนั่นนั่นไม่ใช่อัตตาของเรา เมื่อบุคคลรู้เห็นอยู่อย่างนี้จึงจะไม่มีอาหังการมะมังการและมานานุสัยในกายที่มีวิญญาณนี้และในนิมิตทั้งปวงในภายนอกภิกษุรูปหนึ่งได้เกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตา เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตากระทาจะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบความคิดคำหนึ่งของภิกษุนั้นด้วยพระทัยแล้วจึงรับสั่งเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรัสว่าภิกษุทั้งหลาย เป็นไปได้ที่โมฆะบุรุษบางคนในธรรมวิไนนนี้เป็นผู้ไม่รู้แจ้งตกอยู่ในอำนาจอาวิชชามีใจถูกตันหาครอบงำจะพึงเข้าใจสัตวุศาสตร์ว่าเป็นคำสอนที่กวรคิดให้ตรหนักว่าได้ยินว่ารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาเพราะเหตุนั้นกรรมที่ถูกอนัตตกระทำ จะถูกต้องอัตตาได้อย่างไรภิกษุทั้งหลายเราได้แนะนำเธอทั้งหลายไว้แล้วด้วยการสอบถามในธรรมะเหล่านั้นในบาลีนั้นๆภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะเข้าใจความข้อนั้นว่ายอย่างไรรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเที่ยงหรือไม่เที่ยงทูลตอบว่าไม่เที่ยง ก็สิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์หรือเป็นสุขทูลตอบว่าเป็นทุกข์ก็สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความปลาผันเป็นธรรมดาควรหรือที่จะพิจรารณาเห็นสิ่งนั้นว่านั่นของเราเราเป็นนั่นนั่นเป็นอัตตาของเราทูลตอบว่าข้อนั้นไม่ควรเลยเพราะเหตุ น, นั้นแลอริยส า, าวกผู้ได้สดับ เห็นอยู่อย่างนี้ย่อมเบื่อหน่ายคลายกำนัดจิตย่อมหลุดพ้นรู้ชัดว่าจิตหลุดพ้นแล้วไม่มีกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้อีกต่อไปมีภิกษุทูลถามปัญหากับพระผู้มีพระภาคในเรื่องต่อไปนี้คือเรื่องขันห้าเรื่องมุญเหตุแห่งขันห้าเรื่องฉันทราคะเรื่องชื่อของขันห้า เหตุปัจจัยแห่งการบัญญัติคันห้าสักกายทิฏฐิเหตุไม่มีสักกายทิฏฐิเรื่องคุณโทษและเครื่องสลัดออกจากคันห้าเรื่องไม่มีอาหังการมะมังการและมานานุสัยและเรื่องกรรมที่อนัตตากระทำถูกต้องอัตตารวมปัญหาที่ปูนถามในพระสูตรนี้รวมสิบข้อด้วยกัน